สังขารหมายรวมทั้งเครื่องแต่งคุณภาพของจิตหรือเครื่องปรุงแต่งของจิตซึ่งมีเจตนาเป็นตัวนำและกระบวนการแห่งเจตจำนงที่ชักจูงเลือกรวบรวมเอาเครื่องแต่งคุณภาพเหล่านั้นมาประสมปรุงแต่งความนึกคิดการพูดการทำให้เกิดกรรมทางกายวาจาใจ อย่างไรก็ตามในการอธิบายตามแนวขันหท่านมุ่งแสดงตัวสภาวะให้เห็นว่าชีวิตมีองค์ประกอบอะไรมากกว่าจะแสดงกระบวนธรรมะที่กำลังดำเนินอยู่ว่าชีวิตเป็นไปอย่างไรดังนั้นคําอธิบายเรื่องสังขารในขันหตามปกติจึงพูดถึงแต่ในแง่เครื่องแต่งคุณภาพของจิตหรือเครื่องปรุงของจิต ว่ามีอะไรบ้างแต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไรเป็นต้นส่วนการอธิบายในแง่กระบวนการปรุงแต่งซึ่งเป็นขั้นออกโรงแสดงท่านยกไปกล่าวในหลักปฏิจจสมุปบาทซึ่งชี้ให้เห็นว่าชีวิตเป็นไปอย่างไรดังนั้นในหลักปฏิจจสมุปบาทความหมายของสังขารจึงมีรูปร่างแบบปฏิบัติการ คือจำแนกออกเป็นกายสังขารการปรุงแต่งแสดงเจตจำนงออกทางกายหรือเจตนาที่ปรุงแต่งการกระทาทางกายวจีสังขารการปรุงแต่งแสดงเจตจำนงทางวาจาหรือเจตนาที่ปรุงแต่งการกระทาทางวาจาและจิตตาสังขารการปรุงแต่งแสดงเจตจำนงทางใจ หรือเจตนาที่ปรุงแต่งการกระทาทางใจต่างจากคำอธิบายแนวขันหซึ่งจำแนกสังขารเป็นองค์ธรรมเครื่องปรุงแต่งต่างๆมีศรัทธาสติเมตตากรุณาปัญญาโลภะโทสะเจตนาสมาธิเป็นต้นถ้าจะเปรียบเทียบกับเรื่องรถคำอธิบายแนวขันหก็เหมือนรถ ที่ตั้งแสดงให้ดูส่วนประกอบต่างๆอยู่กับที่ส่วนคำอธิบายแนวปฏิจัจะสมุปบาทที่จะกล่าวข้างหน้าเป็นเหมือนอธิบายเรื่องรถที่เดินเครื่องออกแล่นใช้งานจริงบรรดาเครื่องแต่งคุณภาพของจิตทั้งหลายนั้นเจตนาเป็นตัวนำหรือเป็นหัวหน้าดังนั้น ไม่ว่าเครื่องแต่งคุณภาพกี่อย่างจะเกิดขึ้นทำหน้าที่ในคราวหนึ่งคราวใดจะต้องมีเจตนาร่วมอยู่ด้วยเป็นแกนนําเสมอไปทุกคราวบางครั้งท่านถึงกับใช้คําว่าเจตนาเป็นคําแทนหมายถึงสังขารทั้งหมดทีเดียวด้วยเหตุนี้จึงอาจให้ความหมายคําว่าสังขารได้อีกอย่างหนึ่งว่าสังขาร คือเจตนาพร้อมทางสัมปยุตรธรรมธรรมะที่ประกอบร่วมหรือเครื่องประกอบซึ่งแต่งจิตให้ดีหรือชั่วหรือเป็นกลางๆลงรุงแปราการตริตหรือนึกคิดการพูดการทำให้เกิดกรรมทางกายวาจาใจบางครั้งท่านถึงกับใช้คำว่าเจตนาคำเดียวเป็นคำแทน หมายถึงสังขารทั้งหมดหรือแสดงความหมายทำนองจำกัดความคำว่าสังขารด้วยคำว่าเจตนาและเจตนาก็เป็นคำจำกัดความของคำว่ากรรมด้วยดังนั้นในกรณีเช่นนี้คำว่าสังขารเจตนาและกรรมจึงมีความหมายอย่างคร่าวๆเท่ากัน เปรียบเหมือนว่าพระครูแก้วเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางเป็นผู้แทนวัดนั้นไปรับมอบพระไตปิดกร่วมกับผู้แทนของวัดอื่นอนหลายวัดในที่ประชุมนั้นจะออกชื่อว่าพระครูแก้วเจ้าอาวาสวัดกลางคณะวัดกลางหรือว่าวัดกลางก็ได้ความหมายที่ประสงค์อย่างเดียวกัน นอกจากความสําคัญที่กล่าวมาแล้วเจตนายังเป็นตัวแสดงลักษณะพิเศษของสังขารที่ทำให้สังขารขันต่างจากขันอื่นอีกด้วยเจตนาแปลว่าความจำงความจงใจความตั้งใจลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันระหว่างสังขารขันกับนามขันอื่นก็คือนามขันอื่น อันได้แก่เวทนาสัญญาและวิญญาณทำงานกับอารมณ์ที่เข้ามาปรากฏอยู่แล้วเป็นสภาพที่เนื่องด้วยอารมณ์เก็เกี่ยวกับอารมณ์อาศัยอารมณ์จึงดำเนินไปได้และเป็นฝ่ายรับแต่สังขารมีการริเริ่มเองได้จำานงต่ออารมณ์และเป็นฝ่ายกระทาต่ออารมณ์เมื่อเข้าใจหลักนี้แล้ว ก็จะมองเห็นเหตุผลว่าทำไมความสบายไม่สบายจัดเป็นเวทนาแต่ความชอบใจไม่ชอบใจจึงเกิดถัดจากสบายไม่สบายนั้นจึงจัดเข้าในสังขารทำไมสัญญากับสติซึ่งเกี่ยวกับเรื่องความจำด้วยกันแต่กลับแยกอยู่คนละขันคือสติอยู่ในสังขารขัน ทำไมปัญญาซึ่งก็เป็นเรื่องของความรู้เช่นเดียวกับสัญญาและวิญญาณจึงแยกไปอยู่ในสังขารขันตามหลักไตรวัดในปฏิจจสมุปบาทจัดเวทนาสัญญาและวิญญาณเป็นวิบาสังขารเป็นกรรมอันหนึง่งสังขารที่จัดเป็นกรรมนั้น ท่านหมายเอาเฉพาะในเวลาที่เจตนานำหน้าออกปฏิบัติการเท่านั้นส่วนตัวเครื่องปรุงเครื่องแต่งทั้งหลายในฝ่ายสังสารวัตรท่านจัดเป็นกิเลส